ส่วนสำคัญของการปฏิบัติเป็นสอบอารมณ์เรามีการเรียนหนังสือเรามีการสอบแต่หาว่าเราไม่สอบเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำมันถูกหรือมันผิดก็จะทให้เราไม่พัฒนาหรือเสียเวลาในการปฏิบัติได้ในเรื่องของ <c oughs> อารมณ์กรรมฐานเนี่ยมันไม่เหมือนข้อสอบแบบ เรื่องของภายนอกมันมีถูกมีผิดมันมีได้มีเสียแต่เรื่องอารมณ์กรรมฐ า, านนี่มันมีอยู่เหนือความถูกความผิดเหนือเหตุเหนือผลเหนือการได้การเสียนะเพราะมเป็นการเดินทางที่ไม่มีทางมันก็คือในเบื้องต้นถ้ากวาเราได้ ฝนตัวรู้ที่มันมีอยู่โดยธรรมชาติเนี่ยให้มีกำลังขึ้นนะเพราะถ้าหากว่าตัวรู้ที่ไม่มีกำลังมันก็จะถูกตัวความเคยชินหรือสัญชาตญาณหรือตัวกิเลสดันหาวทานมันนำพาไปนะเพราะมันเป็นธรรมชาติทังมันอย่างนั้นนะว่าธรรมชาติทั้งหลายนะมีการ เปลนแปลงลื่นไหลไปสู่ที่ต่ําเหมือนฝนมันตกมาจะให้มันไหลไปสู่ที่สูงมันเป็นไปไม่ได้ของมันตกจากมือเราน่ยมันจะลอยขึ้นเป็นไปไม่ได้เพระตกไปที่ดับนี่สภาพของรูปกทำน้ำรมก็เหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องตกไปดับไปหายไปเสื่อมไปโดยธรรมชาติของมันลื่นไปไหลไปนี้ โดยธรรมชาติอันนี้มันก็จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงความไม่สบายสัมพัสัทั้งหลายที่เกิดมามันก็จะไปสู่กฎอันเดียวกันนี่หมด ท, ทีนี้นานๆจะมีคนฉลาดขึ้นมารู้ความเป็นไปของเรื่องเหล่านี้แล้วท่านก็นำมาเปิดเผยเราสมมติบุคคลเหล่านั้นว่าเป็น พระบุรธเจ้าบางเป็นพระอริยบุคคลบางเป็นพุ้ตรสรู้บ้างเข้ามาเห็นกฎเกณฑ์อันนี้แล้วก็นํามาชี้บอกเราเราก็ลองเอามาทดสอบทําตามบางคนก็ทําได้บางคนก็ทําไม่ได้บางคนก็มีศรัทธาบางคนก็ไม่มีศรัทธาในการทําได้นี่บางคนก็ทําถูกบางคนก็ทําผิดนะพระเชษฐาดองก็จึง มีการตรวจสอบเกิดขึ้นทีนี้ผูต้ตรวจสอบก็หมายความผู้ที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติเรื่องเหล่านั้นมาจนชวิชํานานมันครูได้ผ่านการใช้ได้ผ่านการใช้ถูกใช้ผิดมาแล้วก็แก้ไขเรื่องถูกเรื่องผิดแก้ไขสิ่งเหล่านั้นมาตามลําดับจนมีประสบการณ์ เราก็สามารถจะรู้ได้ว่าอะไรมันใช่อะไรมันไม่ใช่แล้วก็มาทดสอบกันเนาะดีนี้เรื่องอารมณ์ปฏิบัติก็เหมือนกั น, นเบื้องต้นเนี่ยให้เรารู้ไในส่วนที่สัมผัสได้ง่ายๆรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยที่สัมผัสได้ง่ายเพื่อให้มันเห็นชัดแล้วก็ฝึกจากสิ่งเหล่านี้ก่อนนะ ฝึกกายให้มันรู้ความเป็นไปของกายรู้ความจริงของกายว่ากายเนี่ยถ้าหากว่าปล่อยไว้อย่างนี้มันเสื่อมทําอย่างนี้มันเจริญทําอย่างนี้มันเข้มแข็ ing, ทงทํำนี้มันอ่อนแอทาอย่างนี้มันเรียบร้อยทำนี้มันไม่เรียบร้อยก็ศึกษาความเป็นไ ป, ไปเป็นมาหยับหยา บ, ยาบทีนี้ไอ้ตัวที่เราเข้ามาศึกษาเนี่ยท่านเรียกว่าตัวรู้ แต่ตัวรู้นี่มันก็มีกําลังก็มีที่ไม่มีกําลังก็มีแล้วแต่เราถ้าหากตัวรู้ที่มันมีกําลังก็หมายความว่าเรานํามาใช้ได้ตัวรู้ที่ไม่มีกําลังก็นำมันม่ใช้ไม่ได้ดังนั้นเวลาเราปฏิบัติเราก็ต้องฝึกฝนตัวรู้ให้มันมีกําลังขึ้นมา จากมันมีตัวอยู่ทําให้มีกําลังท่านใช้คําว่าอินทรีท่านใช้คำว่าพระละในที่นี้เราก็จะเน้นเข้ามาที่ว่ากำลังของสติถ้ามันน้อยอยู่เขาเรียกว่าอินทรีย์ถ้ามีมากพัฒนาให้มากขึ้นเขาเรียกว่าพระละสติพระละสมาธิพระละปัญญาพระละทีนี้ทำยังไงให้มันมีมากขึ้นก็ต้องมากําหนดรู้เฝ้าดูตามดูตั่งดู คำว่ากำลังของสติสมาธิปัญญาในที่นี้คือกําลังของตัวรู้นั่นแหละนะรวมเรียกว่าตัวรู้ตัวรู้ตัวตื่นนั่นแหละคือกําลังของสติสมาธิปัญญาทํางานร่วมกันเราเรียกว่าไฟฉายเนี่ยความจริงมันก็ประกอบหลายส่วนประกอบด้วยหลอดเทียนกระบอกไฟฉายประกอบด้วยแบตเตอรี่ประกอบด้วยสวิตช์ประกอบด้วยสายไฟรวมเราเรียกว่าไฟฉายอันนี้ก็เหมือนกัน คำว่าสติเนี่ยประกอบด้วยหลายส่วนประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสมาธิประกอบด้วยปรรยัญญาประกอบด้วยความเพียรอะไรเนะี่ยก็มารวมกันเรียกว่าสติเ น, นี่ยนะครับมันก็เป็นองค์ธรรมอันเดียวกันที่นี่เราก็มาฝึกแต่ตัวรู้ขึ้นมาที่นี้การฝึกในส่วนกายก็คือทำความรู้สึกตัวกับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเช่นว่ารมหายใจก็ดี หรือการเคลื่อนไหวอิเดียบทต่างๆก็ดีมันมีอยู่แล้วทั้งเคลื่อนไหวในส่วนหลักรีบดสี่เคลื่อนไหวในส่วนย่อยเรียกว่ารีบดย่อยการเคลื่อนไหวของทานสี่การเคลื่อนไหวของอาการ32การเคลื่อนไหวของความเสื่อมในร่างกายเนี่ยจับเอาการเคลื่อนไหวนี่เป็นอาการของอณิจังก็ฝึกฝึกกับตัวอณิจังนั่นแหละ มันออกมาในานําการเคลื่อนไหวการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเอามาเอามาทำมาเสไหมโดยที่ไม่ให้มันเป็นไปตามขบวนการทางธรรมาชาติเอามาทําให้มันเป็นขบวนการที่เราจัดการได้พัฒนาได้เห็นได้รู้ได้เราเรียกว่าภาวนาแต่ถ้าจะเป็นไปตามกฎข้องมันเขาเรียกว่ามันเป็นตัว แต่รักษ์คือหมายความว่าเป็นไปตามกฎเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่พอเรามารู้ว่าบางสิ่งปล่อยให้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยธรรมชาติเนี่ยเราใช้ประโยชน์มันไม่ได้เช่นฝนตกลงมามันก็ไหลไป็สื่อที่ต่ำไหลลงน้ำไหลลงห้วยไหลงไหล ง, ลงคลองลงหนองลงบึงลงทะเลพอไ ป, ไปลงทะเลเราก็ใช้ไม่ได้ล่ะใช่ไหมหรือต้นไม้ปล่อยให้มันเกิดขึ้นจเจริญเติบโตให้ แห่งไปตายไปก็ใช้ไม่ได้ล่ะฮะแต่พอเราเอาไปตัดมาเลื่อยมาแต่งมาเป็นบ้านเป็นเรือนได้อันนี้ใช้ได้หรือน้ำแทนที่จะปล่อยมันไหลลงทะเลเค็มหมดก็ใช้ไม่ได้เขาก็มากั้นเป็นเขื่อนเป็นคูเป็นคลองเป็นหนองเป็นบึงเก็บเอาไว้เอาไม่ใช้ได้ความเสื่อมของเราก็เหมือนที่มันออกมาในรูปอ น, นิจจังทุกขังนั้นถ้าปล่อยไปตามกฎ น, นั้นเราก็ใช้มันไม่ได้พอเอา ความรู้เข้ามาจัดการสร้างสติสมาธิขึ้นมามาจัดการกับความอนนีจังทุกขัของเรานี้มันก็เลยเกิดใช้ได้เห็นไหมหรือแม้แต่สิ่งที่เราใช้เครื่องใช้ไม่สอยเนี่ยผพมที่เรานั่งเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยล้วนแต่อาศัยการจัดการทั้งนั้นถึงเอามาใช้ได้อาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเอามาใช้ได้ล้วนเกิดมาจากการจัดการเราเรียกว่าพัฒนา แต่พอมาในเรื่องของนามมาทําบ้างเราไม่เรียกว่าพัฒนาเราเรียกว่าภาวนาจัดการมันได้แต่ว่ามันก็มีความยากตรงที่ว่าถ้าเป็นวัตถุเนี่ยมันสัมผัสได้มันแตะต้องได้มันพัฒนาได้ง่ายเห็นชัดเห็นความผิดพลาดเห็ความก้าวหน้าได้ชัดแต่พอมาเรื่องนามมาทําบ้างนี่มันยากเพราะอะไรเพราะเราสัมผัสเห็นไม่ได้ด้วยประสาสัมผัสทั้งห้า แต่ต้องใช้ประสาทสัมผัสที่6คือใจเท่านั้นตัวนี้คือความยากของมันคนทั้งหลายก็เลยไม่อยากพยายามแต่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งหรือคณะหนึ่งหรือประเภทหนึ่งที่เห็นความสำคัญเรื่องนี้ว่ากายหรือประสาททั้ง5เนี่ยตามหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันก็เกิดมาจากใจเกิดมาจากนามลูปมันก็เกิดมาจากนามนั่นแหละ เมื่อเป็นถึงนั้นเราจะมาพัฒนาที่รูปมาภาวนาที่รูปอย่างเดียวมันไม่สําเร็จมันได้ครึ่งเดียวมันได้ครึ่งเดียวเช่นเราสร้างความรู้ทางภายนอกเนี่ยจนกระทั่งมีความรู้สูงสุดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปจัดการกับปัญหาบริสักรอีกส่วนหนึ่งได้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยตามเรารู้ประวัติพระองค์เรียนศาสตร์ต่างๆมากมายแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะ เอาชนะความแก่ความเจ็บความตายทางจิตได้นะความแก่ความเกิด ค, ความแก่ความเจ็บความตายทางกายก็ยังเอาไปต้องเป็นไปตามมันอยู่เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ไม่ยอมนะหาทางอกีกก็เลยมาหาวิธีพัฒนาตัวรู้ตัวนี้นะเราก็มาทำกันดังนั้นอ้ตัวรู้ตัวนี้ที่มันมีอยู่น้อยน้อยเนี่ยรู้แบบสัญชตาตญาณ รู้แบบเวทนาเนี่ยคู่คนรู้ใช่ไหมเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่ ง, ต, งตึงก็มีแล้วก็รู้ว่ามันมีการคู่เยอดเคลื่อนไหวเหลวซ้ายไหลขวามันก็มีอยู่ถ้าหากเราปล่อยสิ่งที่มันมีอยู่เธอธรรมชาติผ่านไปโดยที่ไม่ศึกษาเนี่ยเขาเรียกว่าปล่อยไปตามสัญชตาตญาณไม่เป็นประโยชน์แต่พอท่านผู้รู้เกิดขึ้นและไม่ปล่อยให้มันเป็นไปตามสัญชตาตญาณกลับมาเป็นเอามาศึกษา ว่าทำไมเราจึงยืนทำไมเราจึงเดินทำไมเราจึงนั่งทำไมเราจึงนอนทำไมเราจึงเจ็บทำไมเราจึงป่อยล้วเอาสิ่งนี้มาศึกษาอีกทีการเอากลับเอาสิ่งนี้มาศึกษามาเฝ้าดูม า, าพิจารณาเนี่ยท่านบอกอันนี้มันจะก่อให้เกิดตัวรู้ที่เป็นนามชนิดนี้ขึ้นมามีกำลังขึ้นมาเอามาพัฒนา ทีนี้มันยากหรือมันง่ายอ่ามันยากเพราะอะไรเพราะเรายังไม่มีเครื่องมือมาจัดการกับมันในตามพุทธิติเราจะพัฒนาอะไรก็ต้องมีเครื่องมือใช่ไหมจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยใช้เครื่องมือหลายชิ้นจะสร้างอาหารสักถ้วยนึงก็ใช้เครื่องมือหลายอย่างจะสร้างเคขือนสัก อันหนึ่งก็ใช้เครื่องมือมหาศาลสร้างรถสักคันก็ใช้เครื่องมือทีนี้เราจะมาสร้างสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ต้องมีเครื่องมือมาช่างศีลก็ต้องใช้เครื่องมือช่างสมาธิก็ต้องใช้เครื่องมือสร้างปัญญาก็ต้องใช้เครื่องมือนะทีนี้เอาละเราเจาะประเด็นเข้ามาตรงที่ว่าอารมณ์ของเราเนี่ยที่มันไปทางลบก็ มีไปทางบวกก็มีถ้ามันเป็นทางลบเนี่ยมันสร้างแบบลบถ้าเป็นไปทางบวกก็สร้างแบบบวกอย่างสมมติว่าสติถ้าจะสร้างให้มันมีกำลังมากขึ้ น, นก็มีวิธีสร้างแล้วถ้าสติหรือขาดสติเนี่ยจะให้มันสติมันอ่อนกาลังถอยลงไปเนี่ยเราต้องสร้างมันไหม ก็สร้างเหมือนกันแต่มันสร้างง่ายกว่าอย่างการเดินขึ้นเขาหรือลงเขาเนี่ยต่างก็เดินเหมือนกันเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นเ่เดินลงเขาก็ต้องเดินลงเหมือนกันที่การเดินขึ้นเดินลงอันนี้มันง่ายกว่าลงง่ายกว่าลงง่ายกว่าหรือโดยธรรมชาติเนี่ยเทน้ำลงไปโจกเนี่ยจะให้มันไหลขึ้นก็ให้มันไหลลงเนี่ยใช่ไหมถ้าจะให้มันไหลลงเนี่ยไม่ต้องสร้าง มันไปของมันเองแต่จะให้มันไหลขึ้นเนี่ยต้องสร้างแล้วสร้างทางให้มันจิตของเราเนี่ยจะให้มันไหลลงเนี่ยไม่ต้องสร้างเดี๋ยวมันไหลลงเองแต่จะให้มันไหลขึ้นเนี่ยต้องสร้างออันนี้คือสติถ้าจะให้มันขาดสติเนี่ยก็ไม่ต้องสร้างเหมือนกันมันก็ไปของมันเองถ้าจะให้มันสติมันมีกําลังขึ้นก็ต้องสร้างทางให้มันที่จะเอาอะไรมาสร้าง เี่เบบจะเอาอะไรมาสร้างเพราะว่าเรากล่าวเมื่อกี้วัตถุเราจะสร้างขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาต้องมีเครื่องมือสติสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าเราจะสร้างมันขึ้นมาเราก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมืออันดับแรกที่สุดคือตาต้องมีตาเลยก่นการทำงานทุกอย่างหลับตาทําได้ไหมไม่ได้อ่ามีตาเราอันที่สองมีตาแล้วเนี่ยจะทําทงานที่มืดได้ไหม ไม่ได้ต้องมีแสงสว่างตาก็เป็นเครื่องมือได้แสงสว่างก็เป็นเครื่องมือได้เห็นไหมเนี่ยเริ่มจากเนี่ยมีตามีแสงสว่างแล้วก็มีของที่จะต้องใช้เช่นว่าเข้าไปในครัวมืดตึบไม่เห็นอะไรเลยเปิดแสงสว่างขึ้นมาเพราะนั้นเครื่องมือเนี่ยมันมีทั้งหยาบทั้งละเอียดพอเห็นคือแสงสว่างปับ๊บกระทะอยู่ไหนไม่ขีดอยู่ไหนเตาอยู่ไหนเครื่องแกงอยู่ไหนล่ม วาหาเครื่องมือชนิดอื่นแล้วใช่ไหเหมือนกันการจัดการกับที่จะพัฒนาจิตก็เหมือนกันพระการแรกที่สุดให้เกิดดวงตาดวงตานี่คืออะไรดวงตาในไม่ใช่ดวงตานอกคือดวงตาในคือดวงตาในได้แก่อะไรได้แก่ตัวรู้ถ้าตามันฝ้ามันฟันฟงตามันไม่เปิดตามันบอดนีจะทำยังไงก็ต้องมาเปิดให้มันแจ้ง นะประการแรกที่สุดยังจะเห็นว่าวูทีเจ้าท่านแสดงธรรมนะถ้าคนไหนเข้าใจคนไหนรู้ขึ้นมาท่านบอกคนนี้ได้ไเลยธรรมจักธรรมจักสุได้ดวงตาเห็นธรรมใช่ไหมได้ดวงตาเห็นธรรมเราก็มโนหมายความว่าจะเห็นความจริงนะนะแต่เพิ่งได้ดวงตาที่จะเห็นความจรงิงต้องทําอะไรอีกเหมือนเข้าไปในครัวมีตาอยู่นะแต่ว่าไฟไม่เปิดได้อ่าต้องการแสงสว่าง ดวงตาต้องการแสงสว่างนั่นหมายความว่าได้ดวงตาคือสติขึ้นมาแล้วยังไม่พอต้องสร้างปัญญาขึ้นมาเป็นแสงสว่างเครื่องเหมือนที่สองนั่เมื่อได้ดวงตาได้ตาในคือได้สติความรู้มาแล้วเนี่ยทำให้ความรู้มันมีแสงสว่างขึ้นที่จะทำไงให้ตัวรู้เป็นตัวรู้มากขึ้นก็มาพัฒนาในการที่จะพัฒนา เหมือนกับเราก่อไฟอะใช่ไหมมันมีไม่ขีดไฟเล็กๆขึああ้นมาเป็นตัวสมมุติเป็นตัวรู้นะแต่ให้ไฟเอาหัวไม่ขีดเนี่ยไปหุงข้าวตุมแกงได้ไหมไม่ได้มันไม่พอเราจะทํำยังไงมาเพิ่มเชื้อขึ้นใช่ไหมแต่บ้านนอกเราก็คือโบราณเราก็คือเพิ่มฟืนเพิ่มไฟเพิ่มทานเพิ่มอะไรเข้าไปให้มันดางขึ้นแต่เดี๋ยวนี้เขาไปเพิ่มไม่ใช่เพิ่มฟืนนะเพิ่มอะไร อไปเล็งตัวนั้ น, นเร็งในพัฒนามาเรื่อยๆนะพัฒนาเป็นแก๊สพัฒนาเป็นไฟฟ้าไ ป, ไปเพิ่มตรงนั้ น, นวิธีการเพิ่มเมื่อก่อนเพิ่มเป็นวัตถุหยาบแต่เดี๋ยวนี้เพิ่มโดยการใช้แค่หมุนแค่นั้นนะเพิ่มจากหนึ่งขีดสองขีดจะให้มันเดือดตรงไหนสามขีดสี่ขีดก็ว่าไปเราก็ไปเพิ่มนั้นไฟเมื่อกันเดี๋ยวนี้พอเปิดสวิตซ์ปั๊บนี่นะจะให้มันสว่างน้อยก็ได้หมุนลงใมถ้าจะวางง่ามหมุนขึ้นมีสวิตช์บางบ้านมี เฉเพทีพอเปิดรับสว่างจะให้สว่างมากกว่ามุนลงเนี่ยเห็นไหมวัตถุมันพัฒนาให้เห็นเป็นตัวเป็นดวชัดเจนแต่ทีนี้การที่เราพัฒนาตัวรู้อยากจะรู้มากหมุนขึ้นอยากจะรู้น้อยหมุนลงเนี่ยได้ไหมมันไม่ได้แต่มันก็จะมีวิธีการเราจะต้องมีที่สังสมที่เก็บที่อยู่ของความรู้นั้นเสีย ก, ก่อนไฟเนะี่ยจู่ๆไปเปิดถ้ามันไม่มีที่มาที่ไป หลอดดีขนาดไหนก็ไม่เปิดสวิอดีข่าไหนก็ไม่ออกใช่ไมมันต้องมีแหล่งที่มานั่นหมายความมีสถานีไฟฟ้ามีสถานีแหล่งกำเนิดเปิดปั๊บมันถึงจะรู้มาฉันใดก็ดีแม้เราจะมีตัวรู้แล้วก็ตามตัวรู้มาจากไหนแหล่งที่จะเพิ่มตัวรู้หรือพลังตัวรู้มาจากไหนมาจากการกระทำการกระทำเหมือนกับมอนิเตอร์ ใช่เช่นมาจากแหล่งการหันน้ำจากคืนแล้วมาหมุนมอนิเตอร์มาจากที่นั่นแล้วก็มาเก็บไว้สังสวไว้ที่ทถานีไฟฟ้าใช่เพราะถึงเวลาก็จ่ายมาใช้เราก็เหมือนกันมอนิเตอร์ของเราคืออะไรการเคลื่อนไหวนี่แหล่งต้นของมันนะใช่ไหมในแหล่งที่มาของความรู้เนี่ยก็มาจากการเคลื่อนไหวเหมือนกับมาที่มาของไฟ มาจากการหมุนของไดานามูไฟฟ้ามาจากการหมุนของการเคลื่อนไหวของน้ำะะนํำแส่น้ํามาจากการเคลื่อนไหวของไฟเช่นเอาไฟมาต้งน้ำเอาความดันของน้ํามาหมุนไดานาโม น, นี่นะหรือเอาแรงของอนิวเคลียสมาหมุนเครื่องหมุนให้มันมีพลังขึ้นมาพอมันมีพลั ง, ลงตงัวนี้มันก็จะมาทําแสงสว่าง หรือมาใช้ได้ทุกอย่างเป็นพลังทั้งหมดเป็นเอเน g รีชั้นใดก็ดีในตัวของเรามีการหมุนหลายระดับใช่ไหมหมุนของอะไรบ้างหมุนของธาตุดินหมุนของธาตุน้าหมุนของธาตุลมหมุนของธาตุไฟทุกธาตุหมุนทำไมเจึงหมุนเพราะว่ามันเป็นกฎของอนิจจงกฎของมั น, นการหมุนเวียนเปลี่ยนแป ล, ปลงคือกฎของอนิจจงและ ส่วนใหญ่ทําไมมันจึงหมุนเพราะหมุนจากที่สูงไปสู่ที่ต่ําอมุนจากที่สูงไปสู่ที่ตําหมุนจากที่เกิดไปสู่ที่ดับหมุนจากที่เจริญไปสู่ที่เสือ่อมเห็นไหมอันนี้มันหมุนตลอด น, นี่คือกฎของอา น, นิจจังทุกขังอนัตตาถึงจะมีการหมุนตาของเราเนี่ยมันจะลืมอย่างนี้ตลอดก็ไม่ได้เพราะอะไรก็พับทำไปพับเลยไปไง มันก็ทุกใช่ไหมการหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยทำให้เราบําบัดทุกถ้ามันลืมมันไม่หลับก็ทุกหลับแล้วก็ไม่ลืมก็ทุกมันหลับหลับลืมๆืมมันก็บําบัดทุกได้ในโดยสัญชตาตญาณนั่นแหะอันนี้คือกฎของมันเสร็จแล้วเมื่อเรามันมีการหมุนของท่าสี่ดินน้ําลงไฟ เ, เราก็เอาตัวการที่มันเคลื่อนมันไหวเป็นมอนิเตอร์เนี่ยเอามา หมุนให้เกิดตัวรู้แต่ถ้าหากว่าเราไม่มาฝึกตัวรู้ตัวนี้การหมุนการเปลี่ยนแปลงการเสื่อมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้เกิดตัวรู้ไหมไม่เกิดเป็นสันชัดยานเกิดมันจะเกิดไปทางรู้ผิดรู้ที่ไม่ถูกเช่นรู้ในการจะฆ่าสัตว์รู้วิธีการที่จะขโมยช่อโกก็รู้เหมือนกันรู้ในการที่จะเอา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 รู้ถูกก็มีรู้ในตัวเราเนี้นะรู้ผิดก็เป็นลักษณะเบียดเบียนตัวเองแต่สินะตรงนั้นว่ารู้ถูกรู้ผิดถ้ารู้ผิดมันก็ให้เกิดความสงบสบายความปลอดโปร่คงความล่งความสว่างสวยกับตัวเองนี่รู้ถูกรู้ผิดก็ให้เกิดความอึดอัดขัดเครื่องเจ็บปวดป่วยนะคนก็มีทั้งสบายและทั้งป่วยเห็นไห คนที่ป่วยก็พอรู้ผิดไปทําในสิ่งที่ผิตมาถึงป่วยสะสมมานานแต่คนที่รู้ถูกมันก็สุขภาพดีพอแก้ไขไดีๆเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเอามาใช้มันก็มีผลรู้ถูกรู้ผิดรู้ถูกเ ร, เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแต่รู้ผิดก็เียวามิจาทิฏฐินี่คือมายอดของความรู้ทางพุทธศาสนาเพะนั้นเรามาปฏิบัติจะปฏิบัติยังให้มันถูก ก็สังเกตว่าเออมันจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินก็สบายไม่หนักไม่เหนื่อยไม่เน็ดไม่หอบไม่หิวไม่ทุกข์ไม่ทรมานไม่ปั่นป่วนไม่วุ่นวายนั่นรู้ถูกล้ะแต่ถ้ามันไปตกกันข้ามเจ็บไปด้วยหืดหอบหอบหิวหนักเหนื่อยอึอดอัดขับแขนกดดันอึนอดอัดฟาสเ ต, ตในพวกนี้รู้อะไรรู้ผิดแล้ว มันมีให้เห็นตลอดแต่เราจะเลือกมันเป็นใหม่ท่พระพุทธเจ้าท่านก็ทดลองมาท่านรู้ผิดท่านท ร, รมานตัวเองเกือบตายพอท่านมาเปลี่ยนคลิกใจปับ๊บผมมารู้ถูกปับ๊บท่านก็โอ้สว่างสวยแล้วก็นําเอาความรู้ที่ถูกเกิด ค, ความสว่างคือความสงบความสุขความปีติความชื่นบานมาเผยแผ่มาแก้ไขความทุกข์ของมนุษยชาติสองพันสามพันปีแล้วก็ยังเวิร์กอยู่ เพะนั้นในภาคปฏิบัติเราเอาง่ายๆเนี่ยในชีวิตของเราในอิเลียบทของเราเนี่ยแล้วนั่งนานๆเนี่ยมันรู้สึกยังไงห น, นักขาปวดขามันถูกหรือมันผิดเราสมมุติว่ามันผิดกฎของไต่ลักมันเป็นไปตามกฎของไต่ลักนั่นนหละถ้าปล่อยมันเป็นไปตามกฎนั้นมันผิดใช่ไหมที่เราจะแก้มันยังไงก็ต้องมีอ่าเอารู้ถูกเข้ามาแก้เอาตัวรู้ถูกรู้ถูกคือ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 การแตะสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้อยู่เกินวิสัยที่เราจะเข้าถึงเราจะมาปรับความรู้ของเราให้มันถูกรู้ได้เงินมันถูกมันผิดท่านพูดเราเองนี่ไม่ใช่จริงนี่นมันจะแย้งขึ้นมาอะไรใช่ไหมท่านจะมีเกณฑ์เอาความจริงมาตัดสินไม่ใช่เป็นความถูกความผิดของเรแต่เป็นความถูกความผิดของความจริงที่ปรากฏที่ทุกคนสัมผัสได้อย่างกินอาหารไม่ดีปวดท้องเนี่ยให้ตอนกินมันก็อร่อยถือว่ามันถูกใช่ไหม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 แต่ถ้าหากว่าเราไม่แยบคายขนาดนั้นเราก็เอ๊ยผมก็ทําตั้งใจทําดีเนะี่ยทําไมมันเสียละ่ะเอ๊้ผมก็พูดดีทําไมท่านเข้าใจผิดล่ะเอ้ผมก็ทําดีทําไมท่านไม่ไม่ชอบผมอะไรทํานองนี้ไหมไม่ละเอียดตรงนั้นดังนั้นเราจําเป็นต้องมีความแยบคายอันนี้ไอ้คำว่าความแยบคายเนี่ยมันลึกซึ้งมากในภาษาตำร า, ม, ามันเป็นถึงสิบระดับแต่มาจําไม่ได้หมดะวันหลังจะอามาดูว่าไอ โยนิสม น, ส, ยมนสมนาสิกโยมณิสมนาสิกการสิบประการคืออะไรบ้างวันหลังย้ำให้ดูคือแยกแยะความละเอียดด้วยการสังเกตละเอียดเอาง่ายๆแค่นั่งอย่างเงี้ยตอนแรกมันสบายใช่ไหมแต่ปลายเหตุมันไปนไงไม่สบายมันผิดแล้วแต่ต้นต้นมันถูกอะ่ะแต่ปลายปลายมันผิดคือไม่สบายแต่ที่นี้จะทำให้มันถูกตลอดได้ไงต้นก็ถูกปลายก็ถูกทาไง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 เห็นความเห็นที่ถูกเข้าใจที่ถูกผู้นั้นชื่อว่าสามารถขจัดทุก ป, ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้หมดเลยแต่มักองค์อื่นท่านไม่พูดถึงเลยนะแต่ท่านมักพูดถึงองค์นี้เลยสมาธิฏฐิสมมาธานาดังนั้นเนี่ยในการปฏิบัติของเราต้องไม่ลืมในการที่แก้ไขเรื่องถูกลรืผิดด้วยการสังเกตตัวเองไม่ใช่เอาคําสอนพระพุาธเจ้าอย่างเดียวไม่ใช่คําสอนของ อันนี้มันเป็นคอมมอนเซนทุกคนสัมผัสได้ใช่ไหมกินน้ำมันร้อนเผาปากเรามันถูกหรือมันผิดมันผิดที่นี้จะทำไงกินแล้วมันไม่เผาปากเราก็ทำน้ำที่มันร้อนให้มันเย็นอไปสมเย็นกินอาหารมันเผ็ดมันเผาท้องเราทำไงมาให้มันเผ็ดก็ทำให้มันน้อยลงใช่ไหม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 ท่านไม่ทอดทอยใครจะเอาไม่เอาท่านก็พยายามทำอย่างนั้นอันนี้เป็นวิสัยของท่านปูร่รูมีเมตตากรุณาตรงนั้นอะเพราะคนทุกคนเกิดมาไม่ได้ฉลาดมาทุกคนไม่ได้ถูกมาทุกคนก็ต้องมาฝึกมาสอนกันใช่ไหมดังนั้นให้สังเกต ง, ง่ายๆนูนั่งนี่นั่นนาน น, า น, นั่งตอนแรกมันสบายมันถูกใช่ไหมอ่านั่งนานๆทำไมผิดเพราะมันเป็นไปตามโกฎของมัน ที่ไี้จะทํางานให้มันกฎอันนี้ไม่ทําร้ายเราก็รู้สึกตัวเข้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนอีกบทใหม่เปลี่ยนแล้วไอ้ทีห่หนักหนักหนุนห น, หนมิกี้เป็นไงหายไปมันถูกต้องแล้วเนี่ยเพราะมันสบายขึ้นมาเอาที่ที่มันสบายเกินไปสบายจนหลับทั้งวันเลยแบบนั้นเป็นไงก็ไม่ได้อีกสบายเกินไปท่านเรียกว่าสุดโต่งอีก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 ที่มาพบคาสอนพุทธเจา้าท่านสอนละเอียดละอ่อขนาดนั้นแต่เราเข้าถึงแค่ไหนเราก็พูดได้แค่นั้นเราก็สัมผัสได้แค่นั้นเราต้องพิสูจน์คาสอนพุทธเจ้ามีทางเดียวต้องพิสูจน์เท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ท่านไม่ให้เชื่อแต่ต้องพิสูจน์ด้วยสัมผัสกับตัวเองแล้วคนมันจะโง่ขนาดไหนนี่ยนะมันก็สัมผัสความจริงเท่านี้ได้หมดใช่มอย่างท่านจุลบรรทโง่ขนาดที่ว่า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 ไอ้การที่เราได้เกิดมาชาติแล้วชาติอีกทุกแล้วทุกอีกเน ima, ี่ยก็เพราะความเห็นผิดของเรานั่นแหละถ้าเราเห็นถูกโอป้ปนนี้เราไม่ได้มาเวียนว่ายแต่เกิดขนาด น, นี้แล้วนะมันบางทีมันเป็นชีวิตของเรานั่นแหละไอ้การที่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดเพราะความเห็นผิดของเราถ้าเราไปสําคัญมันหมายสิ่งที่ไม่มีโดดเนว่ามีโดดเนไปสําคัญมันหมายสิ่งว่าเป็นสุขเป็นทุกข์สำคัญสิ่งมันหมายในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสําคัญมันหมายในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง สำคัญมันหมายในสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนเนี่ยความสําคัญผิดแล้วนี้มันถึงได้เราได้เกิดเวียนว่ายได้เกิดอยู่ทุกวันี่เราโชคดีพอได้มาพบคําสอนพระพุทธเจ้าท่านวางไว้เสร็จแล้วเรามีแต่เอามาพิพพจารณาตามสติปัญญาของเราแล้วเอาไปลงมือทําแก้ไขบางทีวันเดียวมันเข้าถึงเลยนะในสมัยครั้งพุทธกาลใช่ไหมบางทีท่านแสดงธรรมแค่ไม่กี่ชั่วโมงอย่างพาหิยะทารุจิยะทั้งยาสักุลบุตรเนี่ยแค่ชั่วโมงเดียวสองชั่วโมงเอาบรรลุเป็นพระอรหันต์เฉยเลย เพราะท่านเปลี่ยนความคิดเห็นได้ทันทีมีศรัทธาแต่เราบางทีปฏิบัติมาเป็นร้อยวันพันปียังไม่ไปไหนเลยเพราะมันเปลี่ยนความคิดไม่ได้ mm. ก็ต้องปล่อยให้ทุกข์อย่างนั้นเ mm. วียนว่ายใจเกิดอยู่อย่างนั้นแต่จะไปโทษใครนะดังนั้นในจุดนี้ต้องขยันปรับเปลี่ยนแก้ไขนะแล้วการปรับเปลี่ยนแก้ไขนี้ให้เห็นความจริงให้รู้จากความจริงไม่ใช่มาตั้งทฤษฎีของตัวเองขึ้นมา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 แต่ ท, K, ท, K, ทั้ง <au> ท <ld Clerk |nospeech|> ุกทั้งสุเอามาใช้มันพอดีมันกลายเป็นถูกเพราะฉะนั้นสมาธิถีท่านเชื่อเป็นทางสายกลางท่านจึงเรียกว่าทางสายกลางคือสักกษะคือทําให้มันพอดีที่เนี้ยเราไม่ใช้ก็ว่าพอเพียงนะแต่ไม่รู้ว่าทฤษฎีนี้ใช้ได้ไม่ได้พอเพียงแต่พอดีมันใช้ได้เพราะนั้นทั้งถูกทั้งผิดทั้งดีทั้งชั่วถ้าใช้มันพอดีแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ถูกถ้าใช้ไม่พอดีแม้สิ่งที่ดีก็เป็นที่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 แต่ถ้าเราไม่มีความรู้ที่ถูกต้องแล้วไปใช้สมมุติผิดไปใช้ปรมามัิผิดเราก็ได้รับความเดือดร้อนตกนรกหมกไหมไปเวียนว่ายแต่เกิดไม่รู้จักจบจักสิน้นใช่ไหมอย่างที่ตัวอย่างที่เห็นในครั้งพุทธการแต่คนไหนที่ทำถูกต้องพอดีกลายเป็นพูดเป็นอมตะ เ, เป็นพระราหันเป็นผู้ได้เจ้าใช่ไหมเนี่ยดังนั้นมันมีผลอย่างเป็นนัยยะสาคัญ เราต้องศึกษาทําความเข้าใจเรื่องนี้แล้วๆเราเหล่าอาตมาจึงทําเรื่องนี้เรื่องเดียวไม่ทําเรื่องอื่นทําเรื่องรู้สึกตัวเนี่ยใครจะว่าไงใครจะว่าโ ง, ง, ง, ง, ง่งมงมงายไ ง, ยงยก็ไม่สนเพราะเรื่องนี้มันทําให้เราปลอดภัยทําให้เราสบายทําให้เราเป็นสุขทั้งกายทั้งใจแต่ขณะเดียวกันเราก็เกิดความถ้าหากคนรู้ถูกเข้าใจถูกแล้วนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอันหนึ่งเกิดขึ้นก็คือตัวเมตตากรุณา ฉันใช้คำว่าการะดุนาที่คุณถ้าเข้าสู่หลักพอดีมันจะมีคุณสมบัติสประการหนึ่งรู้ถูกต้องสองสอาดบริสุทธิ์สเกิดความเอื้ออาถรคุณของพุทธเจ้าสาอย่างไม่อยากจะผูกข่าจะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเจ้าชัยคุณของผู้รู้ที่แท้จริงมีอยู่สามอย่างหนึ่งทำอะไรใช้ปัญญาสองเอาความบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งสารู้จักแบ่งปันเอือเฟื้อต่อ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 แล้วก็แบ่งปันในสิ่งที่ตัวเองมีแบ่งปันสติปัญญาแบ่งปันความถูกต้องด้วยการแนะนําโดยการสั่งสอนด้วยการอบรมสามอย่างแค่เนี้ยนี่เป็นเกณฑ์ตัดสินว่าคนนั้นรู้ถูกหรือรู้ผิดนะดังนั้นธรรมะวามสองพระิุทธเจ้านั้นง่ายเปิดเผยแต่ทําไมมันกลายเป็นมืดเป็นดําเป็นสับสวนวุ่นวายเพราะเรายังรู้ยังไม่ถูก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 สองขาดความเพียรหรือมีความเพียรแต่เป็นมิฉาวายามะไม่เป็นสัมมาวายามะอะสามขาดสติในการสํารวจตรวจสอบสี่ขาดความตั้งใจขาดความมั่นคงในการที่จะทำอะไรห้าขาดการตรวจสอบขาดปัญญาขาดการตรวจสอบขาดการพิจรารณาขาดการไตร่ครองขาดการเห็นที่ถูกต้องมันขาดองค์ประกอบหาประการเนี่ยนะ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 ถาวรไม่ถาวรวกันใช่ไหมเราหาเงินทั้งปีทั้งชาติถามว่าเราไม่ต้องปฏิบัติธรรมเราก็ไปสวรรค์นิพพานได้ได้ไหมไม่ได้เรามีผัวมีเมียที่ดีที่สุดไม่ต้องปฏิบัติธรรมก็ไปมรรคผลนิพพานได้ไปได้ไหมไม่ได้เรามีสมบัติลน้นฟ้าลน้ลนแผ่นดินมันจะไปมรรคผลนิพพานทำไมไม่ได้เห็นไหมมันไปได้ส่วนเดือกคือส่วนกายแต่ส่วนใจมันไปไม่ได้แต่พอมาทําเรื่องจิตมาทําเรื่องของ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 ขอนขวายในเรื่องของการศึกษาด้านธรรมเป็นหลักด้านวัตถุนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบต้องเสื่อมตลอดแต่นาง ม, มาทำถ้าทําถูกต้องมันเจริญตลอดนะฮะดังนั้นให้เข้าใจเห็นแจ้งในเรื่องนี้แล้วเราจะปฏิบัติได้ดีแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลามากแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไม่ได้ฉันเห็นยังไงฉันเชื่อ่จะเอาของฉันอย่างนั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงปฏิบัติเพือร้อยวันพนปีทุกทับตาย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 แต่แต่หน้าที่ของเราปฏิปณัณนาปโมคติชายยิณุมรับนะต้องทําความเพียรด้วยตนเองด้วยพินิษพิจานาด้วยปัญญาเราตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกถ้าหากความเพียร น, นั้นเป็นมิจฉาวายมะเป็นยิ่งเพียรไปก็ยิ่งทุกข์แต่ถ้าเป็นสัมมาวายมะยิ่งเพียรไปก็ยิ่งสบายเพราะนั้นตัวมรรคบิโองแปดจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้ทุกอย่างพอดีๆนะเพราะนั้นในช่งชวงเช้าเนี่ย